อย่าง阿拉หังเราก็ชนะเสริญพระพุทธเจา้าสวาก้าโตเราชนะเสริญพระธรรมคําสอนของพระพุท ธ, จธโนโนเจ้าสุปฏิปโนเราชนะเสิร์นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็ น, นโ ะ, ะโมตัสสะปะคาวโตอราหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าพระอ ง, อองะะค์าามมงนั้น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 จากนั้นนันททิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชัรณะเป็นที่พึ่งของอันประเสริฐของข้าพเจ้า น, นัททิเมยจากนั้นกับพระหุงเวสรณังยันติที่พวกเราสวดเมื่อกี้นี่นะมาหุ้งเวสรณังจันติพระปตาเนวนานจะอารามะรุกเกเจตยานิข้าพเจ้าจะไม่ถือต้อนไม้ภูเขาเจดี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 ปนไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งอันนี้คือคือพระอง์เวสรนังยันติจากนั้นก็สวดอเศวนาจะบาลานังบัณฑิตานาจเสวนาคาว่าอาเสวนาจะบาลานังคำนี้บวชฉุดมนี้ที่เริ่มต้นอย่างนี้ในครั้งพระพุทธเจา้าทะพระองปาลบเทวดาเทวดาคือสมัยหนึ่งมีบุุษคนหนึ่ง เข้ามามาพูดกล่าวกล่าวในสาธารณชนเพราะว่าเออขอมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้าอขอความเฉลิ่ยมงคลเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทิน เ, เพราะว่าเท่านั้นก็เลยหายเงียบไปเข้าพนธ์ก็เลยบอกเอ้คําว่าเฉลิ่ยมงคลเนี่ยมันคืออะไรใครเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมงคลเป็นเฉลิ่เป็นมงคลนะัคืออะไร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 ทังตาเห็นน่ยทั้งดีทั้งทั้งเร็วพวกนั้ว่าโอเออที่จะยินเสียงเพราะเพราะสนอโฉด น, นั่นแหละคือมองคลไม่ใช่บางทีเข้าด่าละ่ะอ่าก็เลยเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพอาะที่สุดก็เลยคําเถียงกันในหมู่หมู่มวลมนุษย์ชาติเลยนะไม่มีไม่ลงรอยกันเพราะนั้นเทวาดาอีกได้ยินอีกเลยเทวดาได้ยินไปถามกันอีกอันไหนคือมองคล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 พวกเธอจะไปถามที่อื่นถามเถอะไม่มีใครตอบได้แเราตถาคตทณะที่จะตอบได้คือพระพุทธเจ้าเอ้าฟังมงคลเขาก็เลยตัดเป็นมงคลสาแปดให้ฟังอเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาขึ้นต้นนะเเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอเซวนาจะบาลานังอย่าครบคนผ่าน อย่าไปคบคนชั่วบันฑิตานันเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชาปูชาจะปูชนียานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาเน่ยจไล่ไปเรื่อยแล้ววันี้มาตาปิดตุอุปัฏฐานังนให้ปิดปฏิบัติมารดาปิดาเดียว่ามงคลส8บแดให้พวกเราอ่านแปลไปเท่านั้นสิ น, นี่แหละอันนี้ก็คือสาเหตุคือเทวดาเป็นผู้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 ไปแล้วไปภาวนาเนี่ยเทย ว, วดาเขาภู้มารุขะเท ว, วดาเขาไม่เห็นด้วยไงเขาลําบากพระสงฆ์เข้าไปอยู่ในป่าที่แรกท่านก็เขาก็อนุมโมธนาสาทุเห็นว่าพระสงฆ์จะไปอยู่แป๊บเดียวเขาจะออกมาแต่ที่ไหนได้พระสงฆ์ไปอยู่นานไงจนให้เท ว, วดาทั้งหลายลําบากใจจะไปที่ไหนจะขึ้นต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้อยู่ปาา่าศาสตร์ตนเองก็ไม่ได้เพราะพระสงฆ์อยู่อยู่ข้างล่างพระสงฆ์พระสงฆ์งเป็นผู้มีศีลเท ว, วดาก็เลยกันแกล้งไง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 กรณียเมตถกุสเลยนะยันตังสั้นตังประทางอาภิสเมเอจจะสโกโุตูจะสุหูสูจะสวดไปเลยนะจนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเทวดาภูมิมาขาเทวดาจะเป็นมิตรเป็นสหายพวกท่านเพราะพวกท่านมาเด็จมาเพื่ออย่างอื่นมาเพื่อบำเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้ถุดพ้นจากอาสวกักิเลสเท่านั้นจนันทพระสงฆ์เลยกลับไปอีกไปสวดสวดกรณีเมตตสูเทวดาทั้งหลายก็เห็น ภูมะลุคะเทวดากอนุมโอธนากับพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยอยู่ด้วยความผาสุกนะีอันนี้ก็คือความเป็นมาของอกรณีเมตตาสูตรจากนั้นพวกเราก็ได้สูตรได้สวดว่า<ม>บิลูปเัเฆหิเมเมตตังเมตตังเอ ร, ประปติหิเมอันนี้ก็คือพวกเราได้สวดแผ่เมตตาจาหรับพวกคุดพว ก, น, ก, พวกนัพวกอินพวกพมพวก ตกแก่แมลงป่องตักขาบสบรรพสัตทางหลายโดยไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทธโธเน่ขอให้สัพพสัตทางหลายทุกวิญญาณเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขทุกๆวิญญาณทุกๆ ท, ท, ท, ท, ท, ท่านด้วยเถิดนอันนี้ก็คือเราได้สวดวิรุปเคนั้นก็อัติโลเกศิะคุโนอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกน ก, นกคุ้ม หามันอยู่ในป่าไฟไม่มานกค่มกันเลยแหม่แข้งของข้าไปเจ้าขาคลองข้าไปเจ้าก็มีอยู่แต่ข้าไปเจ้าบินไม่ได้นอกจากบุญบารมีสัตะบารมีของข้าไปเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติขอให้มาคุ้มคลองข้าไปเจ้าโดยเธอนอกจากสัตะด้วยบุญด้วยกุศลของข้าไปเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรอันไหนจะคุ้มครองข้าไปเจ้าได้ละคราวนี้ พ่อแม่ก็บินหนีไปหมดแล้วข้าพเจ้าขาก็ยังอ่อนปีกก็ยังไม่มีไม่มีขนข้าพเจ้าอยู่ในรลวงลังขอสัจจะบารมีบุญบารมีของข้าพเจ้าจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินข้านี่ไฟก็เล็ดดับห่างไม่เข้ามาใกล้อันนี้เราเรารำลึกถึงบุญบารมีเนื้พญานกคุ้มท่านได้สวดที่ว่า อธิโลเลกศิรคุโนอย่างพวกเราได้สวดจากนั้นกันณนะโมเมสัพพุทธานังอันนี้คือเราเรามดึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้ามีหลายพระองค์เออจนถึงมาในพัตตกับนี้ก็มี5พระองค์คือกากุกากทันโธโกนคมโนกัตปโปและก็โคตโมนคือพระพุทธเจา้าสีพระองค์ แต่ยังเราจะไม่ได้สวดอริยเมตโยนะเพราะว่าพระสีอ่านยังไม่ได้มาตรั์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์โยจากนั้นก็เนีวิปัสสีจะอนุปโมที่ขี่สัพพาหิตุสัตท่านคือเราลำนึกถึงพระพุทธเจ้า27พระองค์ที่เราสวดนโมเมสโพพุทธานังลำนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 แต่เราทานอาหารเพื่อบำเพ็ญให้ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์อันนี้ก็คื อ, อทีแรก อ, อันที่แรกก็คือเนี่ยผ้าบังสกุลก่อนคือผ้าผมต่อมาอคือเรามีผ้านุ่งห่มเพื่อปุกปิดร่างกาย เ, เพื่อให้ได้บำเพ็ญการร้อนกันแดดกันหนาวกันเหลือบกันยุงปกปิดปกปิดร่างกายคือผ้านุ่งห่ม ต่อมาก็เรื่องอาหารเรื่องอาหารการบริโภคเราทานอาหารเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้บําเพ็ญบารมีเพื่อหาทางพ้นทุกจากนั้นก็คีดลานะคือยายาแก้โรภคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ได้รักษาสุขภาพเก็บ ย, ยาเอาไว้เพื่อได้บําเพ็ญทานศีลพาราหาทางพ้นทุกจากนั้นก็เสนาสะนะที่อยู่อาศัย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 เอถึงแดนพระนิพพานเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นสเสบียงเดินทางเท่านั้นเองอันนี้คืออัชฉมยิยะอภิจเวกขิ ต, ตวะจากนั้นเราก็ได้สวดชาราธโมหิเรามีความแก่ความเจ็บความตายใ น, นเราแปลอยู่แล้วนะจากนั้นก็อายังโค้บเมฆายอยู่กายของเรานี่แลมีอะไรบ้างอยู่ในกายของเราเจากนั้นก็แผ่เมตตาอาหารสุขิโตหมิอ๋อ สัพพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเราข้าพเจ้าจงเป็นสุขเนะี่ยตามสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทํำเอาไว้จากนั้นสัพเพสัตาสดาหุนตุเอาเวลาสุขชีวิโนขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลายจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านแปลไว้อยู่แล้วนะ่ะนี่แหละที่เราสวดเมื่อกี้นี่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาโจรลูกหลานได้ฟัง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 คุณจงมีอายุยืนนานขอให้คุณมีอายุยืนนานถ้าพอมีกราบลือสีนันอกนักพจน์ ก, ก็บอกว่าข อ, อโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่นี่ก็ให้ลูกชายตัวเล็กๆกราบพอลูกชายตัวเล็กกราบลือสีหรือนักพจนักบวชนะั่นเฉยไม่พูดอะไร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 เราจะไปหาท่านยังไงเอาไปหาที่ถ้าท่านรักลูกของเธอก็ต้องไปหาผมไม่กล้าไปหาหนะ้าพ่อแต่ปากของผมคล้ายๆเขานับถือศาสนาหนึ่งเรื่องเนี่ยเหมือนกันเขานับถือศาสนาเคลตดอย่างเนี้ยถ้าผมไปหาสัมปณะโครมผมก็ต้องยอมเสียสละศาสนาของผมที่ผมนับถือมาก่อนผมไม่ไปหนะไม่ไปก็กได้แต่ว่าลูกของเธอลูกของท่านไหนต้องตายเน๊ถ้าเธอรักลูกเธอก็ต้องไปไปหา ไปกราบสมณะโคดมพุทธเจ้าหัานลถต้องรู้วิธีทางวิธีการแก้ไขก็จำเป็นจำใจทีนี้โอ้ไมไปก็บรักลูกทีนี้ลูกน้อยๆก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าไปด้วยกันสามอย่างที่วานไปถึงนั่นแล้วก็ตัวเองก็กราบเพราะพทธองค์ก็าบาศกจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็เมียก็เอาลูกให้พ่อให้ผัว เมียก็กราบพระพุทธองค์ก็ให้พรว่าอโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่เนี้ก็เอาให้ลูกชายกราบมนี่พอลูกชายกราบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสว่าอะไรอีกเฉยอีกเหมือนกันเลยเอา้าวก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอาทําไมพระพุทธองค์จึงเวลาลูกชายของข้าพระองค์กราบเนี่ยทาไมพระองค์จึงไม่ให้พรเหมือนกับข้าพระองค์พระพุทธองค์บอกว่า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 กลับไปนี้ให้ไปทำมนดบเอ่อเป็นดบไปทำมนดบที่หน้าบ้านสร้างมนดบขึ้นมาคล้ายๆกางเต็นขึ้นมาเนี่นะอกางเต็นขึ้นมาแล้วก็ให้จัดเป็นอาสนะพระสงฆ์แล้วก็จัดเป็นที่ตรงกลางให้ให้ลูกของของเธอของขั้นเนี่ยมาเป็นนอนเป็นนอนอยู่ตรงนั้นตรงกลางแล้วก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายนั่งร้อมรอบ ที่ก็ได้สิบกที่ก็ได้นั่งร้อมรอบแล้วก็จะให้พระสงฆ์สวดมนต์สวดพระปริตต์นั่ละลูกของท่านจะจะหลอดพ้นจากความตายภายในเจ็ดวันโอ้ข้าพระองค์ทาได้มนตบที่จะจัดอาสนะแต่ไม่รู้จะหาพระสงฆ์ได้อย่างไรพระเจ้าคะ่พะพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อท่านทํามนตบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังค่อยมาแจ้งเราตถาคตเราจะส่งพระสงฆ์ไปจากนั้นพามก็รีบไปจัดการไปทำพอทำเสร็จแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจา้าพพวกโองค์ก็เออเอาพระสงฆ์ไปนั่งร้อมรอบกุมารและกระสวดพระปริตตะมงคลไม่ให้มีระหวางไม่ให้มีระหวางไอ้เข้าสวดตลอดเจวันเจคืนนะ่ะสวดอย่างน้น พระสงฆ์ไปก็ได้รับพระบัญชาพระพุทธเจ้าไปกระสวดคงจะเปลี่ยนการฉันจังหันมั่งสวดอยู่ตลอดพอวันที่เจ็พระพุทธองค์ก็เสด็จไปไปในปรมพิธนะีพอเสด็จไปเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทีนี้ก็มาล้อมพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันมียักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ตัว น, นี้นะ่ ไปผลนิวัดพญาเวชชุวันพญาไปขึ้นคือพญายักษ์เป็นตระกูลของยักษ์ไปปฏิบัติอยู่12บสอปีแต่นพอ12ปีคนได้รับพรว่าเออเนี่ย เ, ออเมื่อ เ, อ, อเราให้พรให้เราจะให้พรให้ไปกินเด็กคน น, นนั้นเนี่ยเด็กที่เกิดคือเป็นคู่อริคู่กรรมคู่เวรกันมาก่อนให้ไปกินเผาได้ลักษณะอย่างนั้นะ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 จากนั้นพอวันที่เจ็ดพระพรทโธเสด็จมาเองพอเสด็จมาเท่านั้นแหละ เ, เทวดาผู้มีบุญหนักสักใหญ่มาล้อมรอบยยักษ์ตัว น, นั้นมันมีบุญหนักสักน้อยไ เ, เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาชาวไร่ชาวนาก็ต้องออกห่างจากครูบาอาจารย์ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เนี้ยออกไปอยู่ห่างไกลถึงสิบสองโยช น, นียักษ์ตอนนั้นออกไปอยู่ถึงห่างไกลถึงสิบสองโย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 เทพเจ้าหรือเทพยักษ์ทั้งหลายแต่เนี่ยมันเป็นสัจจะจริงจังและจริงใจไม่เหมือนสัจจะของมนุษย์ของเราทะเลทลายทะลอกทะเลลิกไปเรื่อยแต่สัจจะของเทพกายเทพเนี่ยเขาทุกวันไหนกับวันนั้นนะพอถึงอารุณสว่างขึ้นวันที่เจ็แล้วเขาปอหมดจับกินไม่ได้อีกแล้วจากนั้นพระองค์ก็ไปในวันที่เจ็ดนั่งทั้งคืนตรวจพ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 ร้อยี่สิปีนะพระตั้งหรือกระตั้งเงชื่อว่าอายุวัฒนกุ ม, มารอายุของเขาจะยืนถึงร้อยี่สิบปีหนละจากนั้นเขาก็ซาทุจากนั้นเ้าก็พระสงฆ์ก็เลยเลิกลากันยลังจากนั้นเข า, า, เเ า, นนเขาไม่ไม่มากินไม่มาจับเด็กตอนนั้นกินจากนั้นเด็กคนนี้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืนะ่อยจนเป็นหนุ่มแล้วก็มีบริวารถึงห้าร้อยบริวารของเขา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 เขาเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้กราบไหว้ผู้ใดข้อตามเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและก็ผู้มีพระคุณ ว, วัยเวุฒิคุณนวุฒคนนั้นจะมีอายุยืนนานเป็นว่าอภิวาอภิวาธนสีดิสานิจังมุธาปายาิโน จัตตารโอธรรมาวัานติอายุวันโนสุขขภะละเนี่ยอภิวาคืออภิวาสธนาสีฤทชนิดจังวุทธาคือวุทธาคือวุฒิคือสี่เนี่ยวุฒาปัจจายีโนจัตตารโอคือจัตตารคือจัดสี่อย่างเอายุวันณะสุขขภะละจัตารโอธรรมาวัานติอายุวันโนอายุวันณสุขขภละจะเจริญกับผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนผู้กราบไหว้เคารพสักการะบูชานี่แหละพระปริตะมงคลถ้าเราสวดทุกวันก็เป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าขี้เกียจคอนหลับนอนนอนไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะนั่งภาวนากระสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปิฏิปโนกายเยยวาจาอย่างน้อยนะ เ, เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสาหรับพวกเราเนี่แหละ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 ไอ้ถอยอ่าไปยังไงมายังไงแห็งผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอีถอยไอ้ถอยพวกนี้คนที่ไม่เจอกันไม่เคยเห็นกันมันเป็นเรียกไอ้ถอยทีเดียวกนะ็ยถ้าถามว่ามีโยมคนหนึ่งขนขนไอ้พริกขี้หนูเนะ่ยเอาไปขายในตลาดใช่ไหมล่ะก็ถามไอ้ถอยอะไรอยู่ในเกวียนตะแก่น่ะ ไอ้ น, นี่ก็โมโหขึ้นมาเถ่ะขี้หนูนะที่แท้มันพลิกเหมือนกันเถอะขี้หนูตอนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ไอ้ น, นี่ก็ออกไปออกไปในตลาดพอไปในตลาดนี่ไอ้พลิกมันเป็นขี้หนูทั้งหมดบ้านนี่ตายขายไม่ออกบ้านนี้เป็นแต่ขี้หนูเต็มเกวียนเอ้ตายก็เลยไปพูดกับทายกคนหนึ่งเละเอ๊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 ท่านก็นเลยนะเนีอรนพระเทระที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับของเทวดาอีกต่างหากได้ไงก็ามากันนี่แหละก็ามากราบโอ้ยพระคุณท่านโยมอมขอโทษขออาภัยมากๆที่ลงขุนพูดแบบอารมณ์เพราะท่านได้ถามมาแล้วก็ได้พูดไปโดยความไม่อรอบคอบขอพระคุณเจ้าจงโปรดเมตตาโหสีให้พวกขับพระเจ้าโดยเทิน เอข้าพเจ้าเอสำนึกผิดพระเถเรศ ท, ท่านก็นท่านก็นรู้แก่ใจเหมือนกันพราะท่านพูดนิ ส, สัยของท่านะอท่านว่าไอ้ถอยอไอ้ถ อ, อยตอนนี้ท่านก็เลยโอ้เอ้าอาตมาเอาโหสีให้นายโยมเน่ะอาตมาก็พูดไปอย่างงั้นแหละพูดเป็นนิ ส, สัยเป็นเรื่องนิ ส, สัยของอาตมาอ